ไม่เอาหน้าอย่าซสีเรียกเรื่องนักวิทยาศาสตร์กับเทวทูตครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่ง สามารถประดิษฐ์หุ่นที่เหมือนตัวเขาอย่างไม่ผิดเพี้ยนจนไม่อาจจะแยกได้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนปลอมวันหนึ่งเขาทราบว่าเทวทูตแห่งความตายกำลังค้นหาเขาดังนั้นเขาจึงสร้างหุ่นที่เหมือนตัวเขาขึ้นมาถึง12สองตัวเทวทูตจนปัญญาไม่อาจจะรู้ได้ว่า ตัวไหนคือนักวิทยาศาส ต, ตัวจริงดังนั้นเทวทูตจึงปล่อยเขาและกลับไปสวรรค์ไม่นานหลังจากฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมชาติของมนุษย์เทวทูตก็กลับมาพร้อมกับวิธีการอัชญชานฉลาดเทวทูตกล่าวท่านต้องเป็นอัจฉริยะแน่นอน ที่สามารถสร้างหุ่นได้เหมือนตัวท่านจริงๆแต่น่าเสียดายที่ข้ารู้ว่างานของท่านมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทันใดนักวิทยาศ า, ศาสตร์ก็ก้าวออกมาข้างนอกและตะโกนว่าเป็นไปไม่ได้ไหนข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนนี่ไง เทวทูตกล่าวพร้อมกับพาตัวนักวิทยาศาสตร์ออกมาจากหุ่นตัวปลอมทั้งหลายและพาเขาไปข้อคิดนี่แหละจุดอ่อนของมนุษย์ที่เราเรียกว่าอัตตา